ธรรมกถาครั้งที่4ตอนย้ำหลักปฏิบัติจะแสดงธรรมกถาเป็นเครื่องอบรมก่อนแต่จะนั่งปฏิบัติทำความสงบทางจิตใจแต่ในเบื้องต้นจะขอกล่าวซ้ำถึงหลักปฏิบัติพอเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความระลึก การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถกรรมฐานที่ตั้งของการงานทางจิตใจที่ทำให้จิตใจเกิดความสงบตั้งมั่นอย่างหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตใจที่ทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างหนึ่งในการปฏิบัติทั้งสองนี้ เบื้องต้นก็พึงตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระคือที่พึ่งเพราะได้ปฏิบัติในทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไมิใช่มาปฏิบัติในทางของใครอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใส ในท่านซึ่งเป็นผู้แสดงทางปฏิบัติไว้นี้เรียกว่าถึงสาระประการหนึ่งและให้ตั้งใจสมาทานศีลด้วยตนเองยังต่ำก็ตั้งใจสมาทานศีน5าแม้ในปัจจุบันคือในขณะที่มานั่งอยู่นี้เพื่อให้จิตมีศีนขึ้นเมื่อมีสรณะมีศีน ดังนี้แล้วจึงดำเนินการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะคือให้จิตใจสงบตั้งมั่นและให้เกิดวิปัสนาคือปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวนั้นในการปฏิบัติให้เกิดเป็นสมถะคือจิตใจตั้งมั่นสงบนั้นวิธีที่แสดงแล้วตามมหาสติปัฐานสูตรก็คืออาณาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออกคือให้มีสติหายใจเข้าให้มีสติหายใจออกยาวหรือสั้นก็ให้รู้กำหนดให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้าออกกำหนดทำความสงบประงับกองลมหายใจหายใจเข้าออก นี้ตามที่ท่านแสดงไว้ในพระสูตรและพระอาจารย์ได้แสดงวิธีปฏิบัติเพื่อหัดไว้เป็นต้นว่าให้กำหนดที่จุดลมหายใจผ่านคือที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนเมื่อหายใจเข้าลมก็กระทบที่นั่นเมื่อหายใจออกลมก็กระทบที่นั่น ตามที่เป็นจริงก็ให้จิตกําหนดอยู่ที่ตรงนั้นหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้รู้อยู่ที่จุดเดียวนั้นคราวนี้ถ้ากําหนดไปเฉยๆอย่างนั้นจิตจะไม่สามารถตั้งมั่นก็ให้ใช้วิธีนับเช่นว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออก นับ1เป็นต้นไปจนถึงหแล้วกลับมาใหม่จนถึง6เป็นต้นไปจนถึงส0หรือว่าจะนับอย่างไรที่จะเกิดความสะดวกในการปฏิบัติก็สุดแต่ชอบหรือจะไม่ใช้วิธีนับจะใช้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้ และจะยังมีอาจารย์อื่นแนะนำกันด้วยวิธีต่างๆแต่รวมความก็เพื่อให้จิตรวมเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวฉะนั้นเมื่อสามารถทำจิตให้รวมเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวได้ก็ใช้ได้แต่คอยทำสติกำหนดอยู่เมื่อตั้งใจทำสติกำหนดอยู่ก็สามารถที่จะรวมจิตให้เป็นหนึ่งได้ ตอนลักษณะจิตต่อจากนี้จะได้แสดงเพิ่มเติมต่อไปเพียงเล็กน้อยจิตนี้มีปกติดิ้นรนกวัดแกงรักษายากห้ามยากเมื่อมาใช้สติกำหนดอยู่ในที่เดียวก็คอยแต่จะดิ้นรนจะกวัดแกวงไปเสมอดิ้นรนกวัดแกงไปในที่ไหน ก็ดิ้นรนกวัดแก่งไปในอารมณ์คือเรื่องตามที่ใครตามที่ปรารถนาหรือตามที่ชอบหรือตามที่มีปริพโธดคือความกังวลถ้ายิ่งมีอารมณ์ภายนอกมากมีปริโธดคือความกังวลมากจิตก็ยิ่งดิ้นรนกัดแกงไปมากอารมณ์ภายนอกที่มีมากนั้น ก็ได้แก่เรื่องต่างๆที่คิดถึงที่ดาริถึงหรือที่พัวพันอยู่ในใจและเมื่อมาพัวพันอยู่ในใจก็เป็นปริโพอดคือเครื่องกังวลเครื่องกังวลนี้ถ้ามีมากและไม่สามารถสลัดออกจากใจได้ก็ทําใจให้สงบไม่ได้แต่ว่า ถ้าสามารถสลัดออกไปจากใจได้จึงจะทำใจให้สงบได้และทุกๆคนก็สามารถที่จะสลัดออกไปจากใจได้ถ้ามีความตั้งใจจริงตอนวิธีสอบจิตในเบื้องต้นก็จำเป็นจะต้องคอยใช้สติกำกับอยู่เสมอเมื่อเผลอตัว จิตแวบออกไปมีสติขึ้นก็ต้องรีบนำจิตกลับเข้ามาทันทีเมื่อจิตแวบออกไปนั้นถ้าลองสอบสวนดูว่าแวบออกไปเพราะอะไรก็อาจที่จะจับเหตุได้เช่นบางทีได้ยินเสียงรถวิ่งได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงของตกจิตก็แวบออกไปที่นั่นก่อน แวบออกไปที่นั่นแล้วก็ต่อไปเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีตั้งหลายเรื่องกว่าจะกลับมีสติชักเข้ามาและเมื่อชักเข้ามาให้อยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็จะกลับเข้ามาได้แต่ครั้นมีเสียงกระทบบางทีก็แวบออกไปอีกแล้วก็ไปเรื่องโน้นเรื่องนี้หลายเรื่อง บางทีรู้สึกว่าเดียวเดียวแต่ว่าเรื่องมากมายเมื่อมีสตินำกลับเข้ามาอยู่ในจุดที่กาหนดใจไว้คอยมีสติอยู่และคอยจับจิตมาสอบสวนอยู่เสมอดังนี้จิตก็จะเชื่องเข้าและถ้าถูกสอบสวนในเรื่องหนึ่งแล้วก็มักจะไม่แวบไปในเรื่องนั้นแต่มักจะแวบไปในเรื่องอื่น ก็ต้องคอยจับตัวมาสอบสวนอยู่แล้วก็จับเข้ามาให้กำหนดอยู่ในจุดที่ต้องการจนจิตเชื่องเข้าและสงบอยู่ได้ก็จะเกิดฉันทะคือความพอใจเกิดปีติคือความทราบซ่านอิ่มใจเกิดปราโมทคือความบันเทิงเมื่อได้ฉันทะได้ปีติได้ปราโมทขึ้น ก็ชื่อว่าได้รับรถของสมาธิคือความสงบเป็นเบื้องต้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความพอใจในสมาธิคือความสงบยิ่งขึ้นการกำหนดจิตให้สงบก็ง่ายเข้าตอนข้อว่าด้วยอิริยาบถได้อธิบายอาณาปานปะปัปภะ ข้อที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วต่อจากนั้นอิริยาประทัปัปพะข้อที่ว่าด้วยอิริยาบทคือท่านสอนให้ทำสัมปชัญญะความรู้ตัวเมื่อเดินก็ให้รู้เมื่อยืนก็ให้รู้เมื่อนั่งก็ให้รู้เมื่อ น, อนอนก็ให้รู้ และเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ ท, ทางกายอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้นมุ่งให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อพิจารณาดูแล้วก่อนที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือจะเปลี่ยนแปลงอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งก็มักจะมีเจตนาคือความตั้งใจก่อน เช่นว่าตั้งใจจะเดินตั้งใจจะนั่งแต่ในขณะที่กำลังเดินกำลังนั่งนั้นมักจะขาดความรู้ตัวเพราะได้นำจิตไปคิดในเรื่องอื่นต่อไปจึงต้องการที่จะให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวควบคุมอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่กำลังดำเนินอยู่นั้น ตอนข้อว่าด้วยสัมปชัญญะอีกปัพพาหนึ่งคือสัมปชัญญปะปัพพข้อที่ว่าด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเหมือนกันคือจำแนกอิริยาบถใหญ่ๆนั้นออกไปอีกเป็นอิริยาบถน้อยๆคือเมื่อจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลัง จะแลจะเหลียวจะเหยียดกายออกจะคูกายเข้าอย่างไรก็ให้รู้จะนุ่งจะห่มอย่างไรก็ให้รู้จะบริโภคจะดื่มอย่างไรก็ให้รู้จะทำการถ่ายอย่างไรก็ให้รู้ตลอดจนถึงจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะพูดจะนิ่งจะหลับ จะตื่นก็ให้รู้มีความรู้อยู่กับตัวเสมอเป็นการหัดทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเมื่อมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ดังนี้ก็ทำให้ไม่เผลอตัวเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษมีแต่คุณตอนข้อว่าด้วย ปฏิกูลอนหนึ่งปฏิกูลลปัปพะข้อที่ว่าด้วยสิ่งปฏิกูลคือให้พิจารณาร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องตามตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดตัวรอบอันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่น่าเกลียดต่างๆได้แก่ อาการที่มีอยู่ในกายนี้คือเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฝันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไต หากยังหัวใจยกนังตับกิโลมะกังพังผืดปีหักังม้ามปะผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุนังไสน้อยอุทริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเซมหางน้ำเสลตโปโพน้ำหนองโลหิตตังน้ำเลือด เสโทน้ำเหื่อเมโทมันค้นอัสุน้ำตาวาสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกานมูลาสิกาไขข้อมุตตังมูดนี้คืออาการสามสิบเอ็ดอหนึ่งท่านแสดงอีกอาการหนึ่งคือมัทเเกมัททลุงคังหมายถึง มันสมองศรีรษะก็เป็นอาการ32อันที่จริงท่านมุ่งสอนพระแต่สำหรับคฤหัสนั้นก็อาจพิจารณาได้โดยอนุโลมคือถึงท่านจะสอนพระแต่ท่านก็แสดงความจริงของอาการต่างๆในร่างกายเป็นของที่จะต้องเน่าเปื่อยดังที่ปรากฏในเมื่อเป็นศพ แต่เมื่อเวลายังเป็นอยู่อาศัยการทนบำรุงรักษาก็ยังพอเป็นที่อาศัยเป็นไปได้ความปฏิกูลไม่ใคร่จะปรากฏแต่ก็ย่อมจะปรากฏอยู่แก่ตัวเองเสมอในเมื่อพิจารณาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำจิตใจให้สงบจากความพอใจรักใคร่ในร่างกาย เมื่อประสงค์จะสงบความรู้สึกในด้านนี้ก็พึงใช้ปัปพะข้อนี้เป็นเครื่องพิจารณาโดยเฉพาะในเวลาที่ทำจิตให้เป็นสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องทำใจให้สงบจากความรักใคร่พอใจในร่างกายทั้งของตนและของผู้อื่นจึงเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะเป็นอุปการะให้จิตใจสงบตั้งมั่น เป็นสมถะ12สิงหาคม2504